กการปฏิบัติตามรูปแบบมีความจำเป็นให้รู้สภาวะบ่อยๆให้แบ่งเวลาทำตามรูปแบบจำเป็นนะบางคนคิดจะเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยนี่ไม่ค่อยมีแรงพอหรอกฉะนั้นต้องมีรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมอย่างตอนเย็นๆค่ำๆสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอย่างวันไหนใจฟุ้งซ่านมากไม่มีเรี่ยวมีแรงให้ทำสมถะให้ใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขมีกำลังขึ้นมา วันไหนมีกําลังดีอยู่แล้วไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมแล้วก็หัดดูสภาวะไปการที่เราหัดดูสภาวะบ่อยๆมันจะทําให้จิตจําสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเร็วเหมือนนักมวยต้องซ้อมชกชกลมชกกระสอบต้องชกทุกวันวันไหนไม่ชกอีกวันชักฝืดๆชกไม่ออกนักปฏิบัติก็เหมือนกันต้องซ้อมมีรูปแบบเอาไว้อันหนึ่งจะพูดโทก็ได้ จะดูท้องพองยุบก็ได้รู้อิริยาบทสีก็ได้ทําจังหวะเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้หรือดูเวทนาดูจิตอะไรก็ได้สักอย่างมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่เอาไว้อันหนึ่งเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านแล้วพอใจเราเคลื่อนไปจากบ้านหลังนี้เราก็รู้ทันปกติใจจะหนีไปเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องมีอารมณ์อันหนึ่งเป็นวิหารธรรมสมมุติว่าเอาอันนี้เป็นวิหารธรรมก็มีสองแบบ แบบหนึ่งให้ใจไม่หนีไปที่อื่นน้อมใจให้ไปเกาะไว้ที่เดียวอันนี้จะได้สมถะอีกอันหนึ่งเราตั้งอารมณ์เอาไว้แล้วเราก็รู้ทันจิตจิตไหลไปที่อารมณ์ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้เราต้องการแค่รู้ทันจิตอันนี้เป็นแค่ตัวตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องชี้ว่าจิตมันขยับขยืขย่นอย่างไรอย่างนี้เป็นการฝึกซ้อมดูสภาวะ